อารามวักหมวดว่าด้วยอารามสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกเรื่องพิกษณีหลายรูป 1.021 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิกุณีหลายรูปมีจีวรผืนเดียว กำลังตัดเย็บจีวร อ, อยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านพิกษูนีทั้งหลายเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกเข้าไปหาพิกษูนีเหล่านั้นถึงที่อยู่พิกษูนีทั้งหลายจึงตำหนิประนามโอนธนาว่าชายในพวกพิกษูนีจึงเข้ามาสู่อารามโดยไม่บอกเล่าครั้นแล้วพิกษูนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิชชูทั้งหลายให้ทราบ พ, พวกภิกษูได้นำเรื่องนี้ไปกลาวทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ